อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เปิดสถานีคือในเวลาตีห้ถึง 5.30 ครึง่งอ่าเราก็จะนำรายการธรรมารับอรุณมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นความรู้เป็นการเตือนสติแล้วก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นเริ่มต้นในสิ่งที่ดีงามมีศีลสมาธิปัญญาเพิ่มปัญญา เรียนรู้สิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ตรัสสอนไว้แล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเป็นมงคลในชีวิตตลอดทั้งวันแล้วก็ตลอดชีวิตไปเลยนะคะเราพบวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่มเดือนหนึ่ง ปีมาเมียนะคะวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวรรคด้วยก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งทีเดียวที่เราจะตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบูลร์อภิปุโนโพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคือพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโนโขอนำท่านผู้ฟังมากราบน้มสักการพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์ของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบน้มสักการเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าข า, าเป็นบาน สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์ที่ห้าของเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าค่ะ ม, มีคำถามที่คุณมารีได้เขียนถามมาเจ้าค่ะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่บท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เริ่มที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบนะเจ้าค่ะก็คือเป็นการ ฝึกสมาธินั่งสมาธิอะไรต่างๆคุณมารีถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะว่ า, าพระอาจารย์มีหรือว่าใช้วิธีใดในการรับมือกับเวทนาความเจ็บปวดขณะนั่งสมาธิเจ้าค่ะเพราะว่าทางคุณมารีผู้ถามเนี่ยบอกว่าท่านชอบนั่งสมาธิมากเลยเวลาไปทําบุญก็จะนั่งสมาธิด้วย แต่ว่าพอแล้วก็ปฏิบัติที่บ้านทุกวันด้วยทั้งเช้าและเย็นแต่ส่วนมากก็เวลาจะเกิดเวทนาตอนนั่งสมาธิเอเจ้าค่ะก็ขอกราบน้ำสการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนได้สากขาชี้แจงในเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเวทนาเวลานั่งสมาธิเจ้าค่ะพระอาจารย์นิมนต์เจ้าค่ะ เ, เวทนานี้ในที่นี้คิดว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกันก่อนว่าหมายถึงความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่โดยความหมายของคําว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นสุขก็มีมันเป็นทุกข์ก็มีแต่ก็เป็นเวทนาที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็มีทีนี้เวทนาในที่นี้ที่คุณมาลีหมายถึงเนี่ยคงจะหมายถึงทุกขเวทนานะที่จเจ็บปวดเวลาเจ็บปวดนะนั่นก็คือทุกขเวทนาประเด็นตรงนี้ที่สําคัญที่ต้องทําความเข้าใจว่าแล้วเราจ ะ, ะวางเวทนาอย่างนี้รับมือกับมันได้อย่างไร โดยจะบางยิ่งเจ้าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ต้องทําความเข้าใจทีละขั้นทีตอนนะเพราะว่าเจ้าเวทนาเนี่ยถ้าเราแบ่งให้มันถ้าเราแบ่งไม่ถูกเนี่ยเราจะเข้าใจมันไม่ได้เราจะจัด ก, การกับมันไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> เราจะต้องแบ่งมันให้ถูกทําความเข้าใจกับมันให้ถูกต้องซะก่อนว่าเวทนาคือความรู้สึกนะเป็นสิ่งที่เป็นผลของการมีผัสสะของการมีผัสสะถ้ามีผัสสะก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกแต่ถ้าเรามีแขนขา มันก็ต้องมีความรู้สึกที่ต้องเกิดจากทางแขนทางขาอันนี้แน่นอน <Okay. S 2> นะคือถ้าอย่างงูเนี่ยมันไม่มีขานะมันจะบอกว่างูปวดขาเนี่ยก็จะมันก็จะไม่ปวดขาละ่ะ <Okay. S 2> เพราะมันไม่มีขานะแต่ถ้ า, าคนเอาคนมีแขนขาก็ต้องปวดขาอแต่ถ้าไปถามคนตายทําไมเขาเอาไฟเผาเขาหักแขนหักขาคนตายก็ไม่ปวดนะเพราะว่ามันก็ไม่มีพัสดะนะพัสดะจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างเดียวถ้าบอกว่ามีแต่กายมันก็ต้องมีใจเข้าไปรวมรู้ด้วย แลนะผัสสะนี้เป็นองค์ประกอบของทั้งกายและใจนะรวมกันสส่วนเนะีจึงเกิดเป็นผัสสะได้เอาแสดงว่าเราต้องมีเบตนาแน่เพราะว่าเรามีผัสสะเกิดขึ้นโจค่ะทีนี้เบตนาที่เป็นสุขก็มีที่เป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็มีในะเวลามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทีละครั้งทีละขั้นทีละตอนเนะีเกิดทีละครั้งทีละขั้นทีละตอนหมายก็ว่าถ้าตอนที่เรามีสุขอยู่นะความทุกข์นั่นก็จะไม่มีความอุทุกข์ความสุขก็จะไม่มี แต่ถ้าเรามีทุกอยู่นสุขกับอทุกข์มัสุกก็จะไม่มีนะคือมันก็ต้องเกิดได้ทีละวาระเพราะว่าจิตนั้นก็เข้าไปรับรู้ทีละอย่างทตนี้ความถี่ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยอัตราเร็วสูงสุกบ้างทุกบ้างสลับกันไปอันนี้อาจจะมีอ่าทีนี้ถามว่าไอทไ้ที่ไม่ถูกที่ไม่ถูกก็คือที่เราเข้าใจยังไม่ถูกเนี่ยแล้วจะทําให้เราไม่สามารถจะปล่อยวางเวทนาได้ก็คือเราไปเข้าใจว่าเวทนา เนี่ยต้องแบ่งเป็นว่าสุขกับทุกข์ใช่ไหมถ้ามีสุขมีทุกข์เอางั้นสุขฉันก็เอาสินะทุกข์ฉันไม่เอาอืถ้าเราเข้าใจว่าสุขฉันจะเอาทุกข์ฉันจะไม่เอาคุณโดยมันจัดการแน่นอนคุณไม่มีทางที่จะรับมือกับเวทนาในลักษณะนี้ได้ค่ะทำไมสุขฉันจะเอาไม่ได้แล้วทําไมทุกข์ฉันจะไม่เอาไม่ได้ก็มันรับมือไม่ได้ไงมันมันเป็นสิ่งที่เข้าใจอย่างนี้ไม่ถูกต้องตามระบบเน่ยเพราะว่าอะไรเหมือนกับการที่ถ้าเราบอกว่าคุณจะเอาใบมะขามอ่ะ แล้วก็ห่อข้าวไปกินกลางวันอย่างเงี้ยคุณมันจะไปทําได้ไงใบมะขามมันเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราจะเอาใบบัวเอาใบบัวไปห่อข้าวกางวกินไปด้วยเนี่ยห่อน้ําไปด้วยเอออย่างนี้ทําได้แต่เช่นเดียวกันถ้าเราจะบอกว่าเราจะแบ่งความสุขเนี่ย เ, เป็นสุขและวก็ทุกจะเอาสุขไม่เอาทุกแต่ถ้าคุณทําอย่างนี้คุณจะไม่สามารถที่จะล่ามันได้เพราะอะไรเพราะว่าความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเป็นสิ่งที่เหมือนกันมีธรรมชาติเหมือนกัน ในขณะที่ความอยากที่เราต้องการให้มีสุขความอยากที่เราไม่ต้องการให้มีทุกข์ความอยากนี้ต่างหากที่ต้องละไปวววต้องแบ่งให้ถูกก่อ น, นคือแทนที่จะแบ่งสุขกับทุกข์เป็นสองส่วนสุขเอาทุกข์ไม่เอาเอาแบบนี้อันนี้แบ่งไม่ถูกแต่ต้องแบ่งออกว่าสุขทุกข์เหมือนกั น, นไว้ซีกหนึ่งไอ้วนที่ต้องไม่เอาคือความความอยากความตัณหาสิ่งที่เป็นตัณหาอันนี้คือสิ่งที่ต้องทาความเข้าใจเบื้องต้นอ๋อค่ะ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจดีแล้วนี่เป็นกระบวนการวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้กับปริปาชาคกคนหนึ่งคนนี้เขาชื่อชื่อว่าทีาคานะค่ะก็คือเป็นปริปาชกที่ใบเล็บยาวเป็นหลานของท่านพระสารีบุตรซึ่งข้อความตัวนี้เป็นข้อความที่มีความสําคัญนะคุณงใจเพราะว่าท่านพระสารีบุตรก็ฟังทำอยู่ในที่นั้นด้วยอนะตอนนั้นถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่เบื้องหลังแต่คือพระพุทธเจ้าก็นั่งเทศไปใช่ไหมท่านพระสารีบุตรก็นั่งอยู่ข้างๆมาทางด้านหลัง ก็นะพัดให้พระพุทธเจ้าพัดให้ในะ น, นระหว่างที่พัดให้ก็ฟังที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้ป ร, ริพาชกในะเล็บยาวคนนี้ก็ฟังด้วยนะตัวเองเนะี่ยคือตัวท่านภาษารีบุตรเองเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในขณะที่นั่งนงั่งอืมเจ้าค่ะออก็คือเทคนิควิธีการในการปล่อยวางเวทนานะขั้นแรกขั้นแรก พ, พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่ต้องเห็นก่อนนะว่าเเวทนานี้เกิดขึ้นที่ไหนแต่ถามคุณมาลี หรืคุณเตือนใจหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายคือบอกได้ชัดเจนแน่นอนว่าเวทนานี้เกิดขึ้นที่กายถูกไหมเพราะมันปวดขานี่ <Okay. S 1> มันปวดลายปวดลหลังมันเกิดขึ้นที่กายในะใจเราก็ไปรับรู้แต่นะพอเกิดขึ้นที่กายใจเราก็ไปรับรู้ปุ๊บมันเกิดเป็นปัสสึ้นเกิดขึ้นที่กาย <Okay. S 1> แน่นอนเกิดขึ้นที่กายเราจะปล่อยวางเวทนาที่กายได้นะเราต้องปล่อยทั้งก้อนนะต้องปล่อยทั้งก้อน <Okay. S 1> ขั้นแรกเราทําความเข้าใจแล้วมันเป็นก้อนเดียวกันทั้งสุขและทุกข์และไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงอีกจุดหนึ่งต้องทําความก็สิ่งนิดนึงด้วยบ่าไอความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขที่ภาษาอ่าที่ภาษาที่เราเรียกกันนะคืออะทุกขมสุขเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกชนิดที่ไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเป็นสุขไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นทุกข์คือเป็นกลางเลยเจ้าคะจะกลางาก็ได้แต่ว่ามันไม่บอกไม่ได้ว่าจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุขกข<า>์ซึ่งซึ่งทั้งสามอย่างนี้จะมีผัสสะมาหมดมากระทบหมดอมันจะไม่เหมือนกับอุเบกานะ ถ้าเราบอกว่เป็นอุเบกขาใช่หรือเปล่าไม่เหมือนกันเพราะว่ า, า <be> อุเบกขาเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าอุเบกขาคือความวางเฉยนะสมมติว่ามีเสียงมาชมเสียงที่มาชมเนี่ยจะเป็นผัสสะที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเสียงชมน ะ, ะเสียงชมโอ้<ะ>คุณสวยอย่า ง, งานั้นคุณหล่องลีคุณเก่งจังเลยนะคำพูดเนี่ยเป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแล้วพอเรารับผัสสะประเภทนี้แล้วเราวางเฉยได้ความวางเฉยนั่นคืออุเบกขาโอเคนะไม่ใช่ว่าอัตุกมาสูขนะไม่เหมือนกัน หรือว่ามีภาษาอันเป็นที่ตั้งแหงความทุกข์เนีเช่นร้อนมากหรืออุณหภูมิ4ี่สองศ า, าต่อให้คนชอบร้อนๆขนาดไหนอย่างนี้มันก็ทนไม่ไหวล่ะมันก็จะต้องเหนื่อยมันก็ต้องไม่พอใจเพราะมีภาษาอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นเราโดนภาษาแบบนี้แล้วเราวางเฉยได้ ค, ความวางเฉยเนี่ยคืออุเบกขาความวางเฉยที่พระอาจารย์ว่านี่นะเจ้าคะก็คือความที่ว่าไม่ไปสนใจคือไม่ไปทุกข์ร้อน ไม่เอาจิตไปทุกร้อนไม่ว่าจะสุขหรือทุกอันนั้นใช่หรือไม่เ<ด>จ้ะ จ, จิตเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้มีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นเ จ, จ้าขาสภาวะที่ไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์อันเนี้ยก็เรียกว่าอุเบกขาทีนี้มันต่าง ก, กับอทุกข์กับมัสุขก็คือตรงที่ว่าเอามันจะมีภาษาประเภทหนึ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์อันความรู้สึกที่ไม่ใช่สุขเช่ว่า อากาศมันธรรมดาธรรมดานียยกตัวอย่างเรื่องอากาศก็ได้กาลังสบายสบายเฉยๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าไม่ชอบหรือก็ไม่ได้ว่าชอบคือถ้าบางคนชอบอากาศเย็นๆเ น, น, นี่อุณหภูมิสักเอ่อสิบแองศาอ่าสิบแหรือ15บห้าอะไรเงี้ยเขาก็จะพอใจชอบใช่ไหมแต่ ถ, ถ้าคนที่ไม่ชอบอากาศร้อนๆ35 3สขึ้นไปนี่ไม่ไหวแล้วไม่ค่อยได้ละอจะมีควารู้สึกที่ไม่ชอบแต่ถ้าอุณหภูมิมันอ่าถ้าอุณหภูมิมันสัก25 26ิบอะไรเงี้ยหรือ27เจ็ดเนี่ย มันก็ไม่จะไม่ได้บอกว่าชอบก็บอกไม่ได้จะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ได้มันก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมรู้สึกเฉยเอะไรนี้ใช่ไหมคะตรงนี้แหละคืออัตทุกข์ <celebration. S 1> รร ban, กมัศุก็คือหมายว่ามีผัสสะประเภทนี้มากระทบทางกายเราแล้วเก็จึงมีความรู้สึกที่ไม่สามารถ บ, บอกได้ว่าเป็นสุขไม่สามารถ บ, บอกได้ว่าเป็นทุกข์น<า> <Lit mighty. S 1> ี้จะมีเวทนาประเภทนี้เกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าบอกว่าเราสามารถที่จะวางอุเบกขาในเวทนาประเภทนี้ได้ไหมได้ได้ดับไปได้แล้วก็จะมีอุเบกขา หรืออยู่ได้แต่นม้ความละเอียดมันก็จะต่างกันไปขั้นหนึ่งอคือว่าเวทนายังเกิดอยู่แต่ถ้ากรณีของอทุกข์มันปแต่ถ้าเวทนาดับไปแล้วสิ่งที่เหลือคืออุเบกขา่เพราะว่าเราไม่ได้ตอบสนองด้วยเวทนาเลยเราไม่ได้ตอบสนองด้วยเวทนาที่เป็นสุขในภาษาที่ชอบใจเราไม่ได้ตอบสนองด้วยเวทนาที่เป็นทุกข์ในภาษาที่ไม่ชอบใจเราไม่ได้ตอบสนองด้วยเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในภาษาที่อันเป็นที่ตั้งงความไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอแต่ทั้งหมดนั้นเป็นอุเบกขาเพราะน่อยู อาเวทนาทั้งหมดทั้งก้อนทั้งยวงเนี่ยทั้งหมดทั้งก้อนทั้งยวงเหมือนกันเหมือนกันเนี่เป็นก้อนเดียวกันมันจะเกิดขึ้นในกายมันจะเกิดขึ้นในกายกายเรารับรู้ตรงนี้แล้วเนในเมื่อมันเกิดขึ้นในกายเนี่ยมันอาศัยกายแล้วจึงเกิดขึ้นเอาเรามาดูกายก่อนเนี่ว่าไอ้ที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเออมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเน่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าเราพิจารณาดูดีๆก็จะรู้ว่ากายเนี้ยก็เป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเป เป็นธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนกับหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นสิ่งที่เหมือนกับของยืมเข้ามายืมโลกมายืมท่าสี่ดินน้ำไฟลมมายืมมาใช้ชั่วคราวถึงเวลาหมดอายุก็ต้องคืนโลกเข้าไปเป็นของยืมมาก็เป็นลักษณะนั้นพิจารณาให้เห็นอย่างนี้แล้วยังไงพอเราพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็น ของไม่เที่ยงได้แล้วเนี่ยความรู้สึกอะไรก็ตามที่อาศัยกายนี้เกิดขึ้นความรู้สึกนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกัน<ช>นเราจะเห็นตรงนี้ได้เพราะว่าก็กายมันไม่เที่ยงนี่เนาะถ้าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอืมเจ้าค่ะก็ <ขอ S 1> คือไม่เที่ยงตามไปด้วยนะเจ้าค่ะใช่ใช่มันก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกันล่ะนะอถ้าผมว่าเราคิดว่าจะกินยาอายุวัฒนะใช่ไหม เพื่อที่จะให้อายุยืนยืนแต่ถ้ายาอายุวัฒนานี่มันยังมีวันหมดอายุอะ่ะแมมแล้วมันจะกินแล้ให้เราไม่หมดอายุมันคงจะเป็นบปไม่ได้อืมเจ้านอะยาที่เรากินที่ว่าจะให้สวยให้รอมันก็มีวันหมดอายุของมันเรากินเข้าไปมันก็ต้องมีวันที่มันจะไม่ได้ผลน่ะแหละเจ้าค่ะเช่นเดียวกันถ้ากายนี้มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมตนาที่เกิดขึ้นในกายก็ต้องไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยเหมือนกันเจ้าค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งให้เห็นอย่างนี้ คือเราจะคิดเห็นให้ได้อย่างนี้ก่อน <S <S นะเจ้าคะแล้วไม่ใช่เฉพาะความรู้สึกที่เป็นทุกข์นะคือถ้าเราเฉพาะเจ่อจงว่าฉันจะวางความทุกข์อย่างเดียวฉันจะไม่วางความสุขไม่ใช่ไหนคุณยาก<ม>ยงกินไม่ถูก<ช>แล้วคุณต้องวางทั้งหมดเลยวางทั้งก้อนเลยก้อนสุขก้อนทุกข์ก้อนไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเหมือนกันวางให้มันหมดนะวางให้มันหมดก็คือวางความรู้สึกทั้งหมดถูกไหมถูกต้องต้องทั้งยวงเลยต้องทั้งยวงไหจะวางความรู้สึกทั้งยวงได้ความรู้สึกนี้เกิดที่ไหนเกิดในกายอ่าเกิดในกายกายเที่ยงไม่เที่ยงเอาไม่เทีี่ยงนะ เราเห็นยังไงกายไม่เที่ยงของกุศลมันเจ็บมันปวดมันเกิดขึ้นจากธาตุสีดินน้ำไฟลมเป็นของที่เหมือนกับปะปะกันไว้เฉยๆมีกระดูกดามขึ้นเอาเนื้อเลือดมาฉาบทาคงอยู่ชั่วเวลาบางขณะขนาดนวดมันแล้วทามันแล้วแต่งมันแล้วก็ยังเหม็นยังเน่ายังปวดยังเจ็บพิจารณากายลักษณะนี้ อ, อเสร็จแล้วยังไงต่อยังไม่จบแค่นี้เพราะเราเห็นกายกับเวทนาโดยลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยงแล้วเนี่ย ก็ให้เห็นะว่ากายเนี่ยเวทนาเนี่ยเป็นของที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีความจางคลายเป็นไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดานะพอเห็นอย่างนี้แล้วนะก็จะมีความหน่ายนะมีความหนายนะมีความหนายใไหนมีความหน่ายในเวทนานะพอหนายแล้วก็จะคลายกําหนัดคลายกําหนัดแล้วก็จะปล่อยวางได้อจะปล่อย<ช>วา ง, วางได้นะตรงนี้มีสองขั้นตอนนะขั้นตอนแรก คือเห็นกายกับเวทนานั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เฉพาะทุกเวทนานนะทั้งสุขด้วยทุกด้วยไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขด้วยนี่คือสเต็ปที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งเจ้าค่ะเนะีพอเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็จะมีความหน่ายนี่คือขั้นตอนที่สองต้องเห็นมากเท่าไหร่ถึงจะหน่ายเนะีเพราะว่าเมื่อกี้ฉันก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงว่ามันไม่เกิดตอนนี้มันเกิดแล้วมันทุกทุกนีมันไม่เที่ยงก็ต้องเห็นจนมันหน่ายคุณอดชใจมันจะเป็นยังไงเจ้าค่ะตรงนี้เจ้าค่ะอาจารย ก็เรานั่งสมาธิมันปวดเมื่อยแล้วเก้อยิ่งปวดยิ่งปวดโยมเคยด้วยประสบการณ์โยมเองนะชจาค่ะอาจารแรงๆนี่อู้จะปวดมากจะเป็นจะตายเลยนะอใช่เจ้าค่ะแบบเรียกกัดฟันเลยล่ะแต่นี่พอมาทีหลังมารู้สึกว่าถ้าเรายิ่งเอาจิตไปไว้ตรงปวดอะเจ้าค่ะมันก็ยิ่งปวดปวดปวดเจ้าค่ะแต่ถ้าเราเอาจิตไปคิดเรื่องอื่นซะคือแบบลืมมันก็จะลืมไปอะเจ้าค่ะมันก็จะหายปวดอะเจ้าค่ะอันนี้ทำถูกไหมเจ้าค้าถูกต้องคือมันมีสองวิธีตรงนี้ หลังจากสเต็ปที่หนึ่งที่ว่าเห็นความไม่เที่ยงโอเคเราเห็นแล้วแล้วจะทําให้เกิดความไหนาหนายแล้วคลายกำเนิดคลายกำเนิดแล้วปล่อยวางตัวเนี้ยแต่ถามว่าไอ้จะถึงตรงปล่อยวางเนี่ยคนจะทําได้เร็วจะทําได้ช้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจิตกุลเนี่ยเป็นแบบไหนในะจิตเราเป็นแบบไหนถ้าจิตเราเป็นบุคคลทีเ่เป็นพวกคิดมากเป็นพวกที่มีราคะโทสะโมห oh ะมากนะ <Okay. S 2> คือหมายความว่ามีราคะโทสะโมห oh ะมากเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะมีราคะโทสะโมห oh ะแก่กล้านะ มีอะไระนิดนิหน่อยก็จะจี้จัดนะไปตามภาษาที่เข้ามากระทบอาจจะวินาทีหนึ่งคิดสามเรื่องคนที่มีบุคลิกประเภทนี้อันนี้คือประเภทที่หนึ่งแต่ส่วนประเภทที่สองก็คือคนที่มีราคะโทสมะมหวเบาบางอาจจะไม่ค่อยได้คิดอะไรอาจจะเฉยเยเป็นสัดส่วนมากนะสองคนประเภทนี้จะมีวิธีการที่แตกต่างกันอยู่ก็คือคนคนประเภทแรกที่มีราคาโทสมะมห่งวากลาเนี่ย วิธีการที่เขาจะทําให้ถึงความปล่อยวางตัวนั้นได้เร็วหรือช้าแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาสามารถที่จะต้องพิจารณาในลักษณะที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่สวยงามเห็นความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นความเป็นของปฏิกู ล, ลของกายของเวทนานี้ให้มากๆคือเขาต้องเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ<อ>นะบ่อยขนาดไหนบ่อยจนกระทั่งมันวางนะนี่คือกรณีที่หนึ่ง ก็ถามว่าไอเห็นที่ความไม่เที่ยงก็คือเอาไปจาะตรงที่ปวดนี่แหละใครมาปวดเนะี่มีตัวตนไหมสารอะไรมันหลั่งออกมาพิจารณาว่าก้อนปวดอยู่ตรงไหนในะพิจารณาเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นความเป็นเป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนของมันอืม<ช>นะค่ะประเภทที่สองคือคนที่มีราคะโทสะโมหะไม่กล้ามีราคาโทสะโมหะเบาบางก็คือไม่ค่อยจะฉุนเฉียวจีจ๊ดใช่ใชเรียบเรียง่ายๆไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้คิดอะไรอาจจะคิดอะไรบ้าง<ช>แต่ก็เรียบเรียบไปอย่างเงี้ย เขาก็ควรจะเอาจิตไปทําสมาธิอย่าไปคิดเรื่องที่มันปวดอย่าไปคิดเรื่องตรงเวทนานั้นซึ่งกระนิ่งกุณตะวใจอาตมาคิดว่าเป็นประเภทที่2ประเภทที่2งนี้นะคะเพราะว่าเราถ้าคนเป็นประเภทนี้คุณก็ต้องทําจิตแบบให้มันนิ่งแล้วพอเราเอาจิตไปไปจ่อไปตรงที่นิ่ง้ตรงที่ปวดมันก็จะอจิตที่มันจะไปจ่อหนึ่งมันก็ลืมไปใช่ค่ะแต่สําหรับคนที่มีราคาโทวสัมมหะกล้าคิดมากๆอย่างอาตมาเนี่ยคิดมาก แต่เป็นคนที่แบบจิตจัดก่อนอยเยอะอ ม, อมเาเยอะอพอเราจะไปทำจิตให้มันนิ่งมันก็จะยากเอางั้นทำไงก็พิจรารณาเนีทีนี้สองคนสองแบบคนที่ถ้าบอกว่าฉันก็ลองทั้งสองแบบแล้วทาไมยังไม่ได้ไออืลองทั้งสองแบบแล้วมันยังไม่ได้แสดงว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กลา้าคําว่าอินทรีย์แก่กล้าเนี่ยหมายความว่าศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันต้องมากพอที่จะวางได้ แต่ศร <c oughs> นะัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาต้องมากพอที่จะวางได้คําว่าวางเนี่ยหลายท่านอาจจะอยากให้โยมสักถามพระอาจารย์ว่าไอ้ที่วางเนี่ยมันวางอย่างไรเจค่ะคิดอย่างไรถึงจะวางได้เจค่ะสัพทที่พระเจ้าใช้คกำมาสลักคืนนะคือวางแล้ววางเลยวางแล้วไม่เอานะถ้าเ <c oughs> ปรียบเทียบนะเราเอาขนไก่มาเส้นหนึ่งเราาจุดไฟปุ๊บเดี๋ยขนไก่จะงอเข้า ท, าทันทะีหรือว่ า, ามือมือของเราในะเวลาเรากำมือเนี่ย เรากำไปทางหลังมือไม่ได้คุณเตือใจก็าใช่ไหมใช่มันต้องกำประทมฝ่ามืออย่างเดียวใช่เดี๋ยวเพรานะะนั้นถ้าเราวางของอะไรไว้ทางฝ่ามือเนี่ยกรรำยังไงมันก็จะติดแต่ถ้าเราวางของไว้หลังมือนะตอนให้คุณกรำยังไงมันไม่มีทางติดเดี๋ยว น, น, นี้คือลักษณะของการปล่อยวางว่าวางแล้ววางเลยวางแล้วไม่เอาสลัดคืนทิง้งวางปล่อยละนะนะไม่เอาไม่สนใจลักษณะ น, นั้นเซึ่งถ้าคนที่ทำจิตให้เป็นสมาธิ นะคือเวลาที่เราเอาไปจ่อกับความที่เป็นสมาธิเนี่ยอถ้าเรามีอาการเจ็บอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็จะมัดึงจิตเราไปเรื่อยจิตเราไปเรื่อยดึงพยายามที่ให้เราไปเกาะให้เราไปเกาะใช่ไห ม, มทีนี้รเราก็พยายามจะสลัดเลยฉันไม่สนใจหรอกฉันมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าทําจิตให้นิ่งอย่างเดียวนั่นคือลักษณะของการที่เราสล่าออกวางออกทิ้งออกนะไม่เอานะปัดมันทิ้งนะปัดมันทิ้ง อ, อ, อซึ่งตรงนี้ก็เป็นลักษณะของคนประเภทที่สองนะทีนี้ถ้าคนประเภทที่หนึ่งคุณพิจารณาเข้าไปจ่อเข้าไป นะมันปวดตรงไหนใครมาปวดปวดมาจากอะไรตัวตนมันมีไหมเดี๋ยววิจณาแยกแยะไปอย่างนี้แล้วก็เห็นความไม่ไม่ใช่ตัวตนมันก็จะวางได้นะวางนี่คืออ๋อมันเป็นอย่างนี้เองวุยไม่เอาหรอกทิ้งวางเบื่อแล้วเนี่ยควา ม, มวางเนี่ยความปล่อยเนี่ยมาเป็นผลของความหน่ายหน่ายเบื่อหน่ายเช่นว่าเราฟังเพลงหรือว่าดูหนังนะคุณตัใจโอเคถ้าบอกว่าดูมันดูเรื่องที่เราชอบชอบดูมากๆอย่างนี้ ดูมันหลายๆายร้อยรอบหลายๆพันรอบเนี๋ยดูจนเครื่องเล่นพังดูดูจนแผ่นทะลุอย่างเงี้ยค<ถ>มันต้องเบื่อแน่นอนอเบื่อแล้วทาําไงไม่ดูหล่ะโยนทิง้งอืเบื่อแล้วก็ โ, โยนทิ้งไม่เอาไม่เอาแล้วไม่อยากฟังแล้วใช่คดี๋ยวนี่คือลักษณะคนที่จะวางได้เยวางนี่นะต้องสามีกครั้งหนึ่งนะสุกก็วางนะสุขก็วางนะงนะทุกก็ไม่เอานะอะทุ ก, ก็มาสุกก็ไม่สนใจเจ้าค่ะเวทนาทั้งยวงสามก้อนวางหมด คือไม่สนใจความรู้สึกไม่ว่าจะทุกข์ว่าจะสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขคือไม่ต้องสนใจอีกเลยไม่เอาเยคะไม่เอาไม่เอาพวกนี้เลยเพราะอะไรเพราะทั้งสามก้อนนี้มันมาด้วยกันมันต้องเป็นทุกข์ถ้าเราจะเอาแต่สุขคุณหวังได้แด้นอนหรือว่าทุกข์ก็มาด้วยถ้าคุณจะเอาแต่สุขแล้วไม่เอาทุกข์มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มันมันทําไม่ได้คุณทําไม่ถูกนะทั้งสุขและทุกข์ต้องมาด้วยกันเพราะมันเป็นก้อนเดียวกันเหมือนไม้แท่งหนึ่งคุณหยิบด้านเนี้ยฉันจะเอาแต่ด้านเนี้ยด้้านนนีมัสุข แต่อีด้านหนึ่งมันทุกข์ก็คุณหยิบมาด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งมก็ติดมาด้วยมันก็ธรรมดาใช่ไหมเจ้าค่ะมันก็ต้องวางทั้งหมดวางทั้งแท่งวางทั้งก้อนสุวาง ท, ทั้งไม้เลยนะอาจารย์ไม่เป็นเื่ออีกเลยไม่เอาละ่ะสุขทุกข์อะไรก็ต่างก็ไม่เอาอัฐุกรรมสุขก็ไม่เอาเอาไม่เอาแล้วเอาอะไรเอาก็ให้จิตมาอยู่กับตรงนี้นะให้จิตมาอยู่กับนี้ซึ่งซึ่งคนที่จะวางตรงนี้ได้นะผลของการที่จะวางได้ก็ามาจากการคลายกำหนัด การคลายกําหนัดก็คือ s <S ล, um, ล, ลักษณะว่าเราคลายกํามือออกเราจะวางละเราจะปล่อยละนะจะคลายได้จะคลายกําหนัดได้ก็ต้องมาจากความหน่ายคือเบื่อหนายแล้วจะคลายกําหนัดจะคลายกําหนัดได้ก็ต้องหน่ายซะก่อนจะหนายได้ก็ต้องมาจากการเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าโอ้จริงๆมันไม่มีอะไรการเห็นตามที่เป็นจริงตรงนี้ของแต่ละคนไม่เหมือนกันของคนที่มีราคาโทสะมั่วกล้า คุณเห็นตามที่เป็นจริงได้คุณก็ต้องไปเจาะไอ้ตรงที่เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นตัวเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นท่าสีนิ่น้ำไฟลมนะคุณก็ความเจ็บปวดเจ็บปวดนะจ่อเข้าไปจ่อเข้าไปพิจารณาเข้าไปนะในขณะที่คนที่ถ้ามีจิตใจลักษณะที่ราคะโทสะมโหบาบางเขาจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จากการที่จิตเขาจะนิ่งๆเพราะเขาก็ต้องทําจิตให้นิ่งๆไปเขาก็จะเห็นตามที่เป็นจริงได้ ซึ่งเส้นทางของสองคนก็จะมาคนละแบบแหละแต่จะมันจะมาจบรวมกันตรงที่จะหน่ายคลายกําหนัดและปล่อยวางได้ค่ะถามว่าแล้วถ้าทำสองวิธีแล้วมันยังไม่ได้ทําไมอืมหลายท่านอาจจะถามนะเจ้าคะใช่ใช้องว่าเอ๊ะทำทีไรก็ปวดทุกทีวางยังไงกับวางไม่ลงเนี่เจ้าค่ะก็แสดงว่าทั้งอการที่เราจะไปถึงจุดที่ให้มีความหน่ายคลายกาหนัดแล้วก็วางได้เนี่ยคนที่ไปถึงจุดนี้ได้ช้าหรือเร็วนะอยู่ที่อินทรีย์ของคุณว่า อินรีย์มีความแก่กล้ามากหรือน้อยในอินซะีในที่นี้คือศรัทธาในคําสอนของพระ พ, ระพระุทธเจ้าในความ<ช>เพียนคุ ณ, <ช>คณทําจริงแน่แน่ <ๆ S 1> จริงไหมในการกระทําตรงนั้นนะ่ยอย่าทำเย่อหยอกใหญ่แต่ให้ทําจริงแนะ่แน่จริงนในสติมีไหมในการพิจารณาเอาถ้าคนที่มีราคาโทสะโมหะกล้า เ, าเวลาที่คุณจะพิจารณาคุณมีสติเต็มที่ไหมเนยะหรือก็ยังแบบเพลิดเพลินโกรธบ้างเกลียดบ้า ง, างไม่พอใจบ้างในขณะที่พิจรารณาเอายิ้มก็ไม่ใช่ละสติยังไม่แจ่มแจ้งเต็มที่หรือว่าถ้าคนที่ มีราคาโทสะโมหะเบาบางไม่กล้าเวลาคุณทําสมาธิไปเพลิดเพลินเคลือนเล่อในสมาธินั้นหรือเปล่ามันก็จะไม่ขั้นตอนในการปล่อยวางถึงได้ช้าเจ้าค <Okay. S 1> นะ่ะอันนี้พระอาจารย์หมายถึงการมีสติที่จะตั้งมั่นในการที่จะเชื่อมั่นว่าเรากําลังทําสมาธิตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้แนะไว้ว่ามันจิตจะว่างจะอย่างนั้นใช่หรือไม่เจ้าคะสตินี้คือสมาสตินั่นเอง คแต่คนที่มีสัมาสตินั้นก็คือจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากสมาธิหรือเป็นความที่เราความทุกข์ที่เราเกิดขึ้นเราพิจารณาอยู่เนี่ยเห็นด้วยความเป็นของอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าคุณเห<ด>็น <he en S 1> ตรงนี้คือคุณมีสติแบบมีกําลังละสติคุณมีกําลังเพราะฉะนั้นพอเรามีสติแล้วสมาธิเป็นยังไงนะจิตเป็นอารมณ์เดียวขนาดไหนในขณะที่คุณพิจารณานะถ้าคนที่มีราคะโทสามหะกล้าอจิตคุณเป็นอารมณ์เดียวขนาดไหนในขณะที่ คุณม well ีสมาธินะถ้าคนที่มีราคาโทสะมหะบาบางแล้วปัญญานี่ก็ด้วยเหมือนกันปัญญาก็จะเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถตัดได้วางได้ปล่อยได้ขาดเจ้าค่ะก็ฟังพระอาจารย์พูดแล้วเหมือนง่ายนะเจ้าค่ะแต่หลายท่านทํานผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกว่าทำไมทําเท่าไหร่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือคือมันก็ต้องอาศัยการฝึก่คุณจิตใจต้องทําบ่อยๆใช่ต้องทําให้มันละเอียดทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ํำๆทําให้เจริญ แตคือแน่นอนเราฝึกทําแม้แต่ครั้งหนึ่งก็ตามนะสมมติครั้งนี้ทําไม่ได้เอากูไม่เป็นไรุณไปต่อแท่ไม่ต่อต่อทําไปต่อไปแต่ทำตรงนั้นไปเนี่ยปุ๊บคะแนนในห้าอย่างนี้กณก็เพิ่มละแล้วศรัทธาวิเดียสติสมาธิปัญญาอ่ะกูมีการทําจริงนี่การทำจริงก็เพิ่มไปเอาทํำไปอีกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทําไมไม่ได้ออาไม่เป็นไรทําไปอีกเดี๋ยวทำไปทําไปเนี่ยเดี๋ยวสติมันก็เพิ่มอมันก็จะมีความก้าวหน้าไปอ่ะสติเพิ่มแต่มื่ยังวางไม่ได้อ่ะทำไปทําไปเนี่ยมันก็จะม อมเจค่ะทำไปทำไปไม่ท้อแน่ท้อถอยทำได้ไม่ได้ก็ยังทํำแต่บางทีทําก็สุขบางทีทําก็ทุกข์ก็ยังทำแต่ตรงนี้เราก็ได้คะแนนความเปลี่ยนเราก็ได้คะแนนสติเราก็ได้คะแนนศรัทธามมันก็จะตัวช่วยคือบางคนยิ้ว่านั่งสมาธิวันนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่จริงหรอกคุณเดินใจมันได้อะไรก็ได้อะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งอืมคือไม่ใช่ว่าเราจะเอาหวังสุขไงอันนี้คือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนั่งสมาธิว่าจะต้องมีความสุขอย่างเดียวนั่งสมาธิว่าจะไม่ปวดอย่างเดียวอืม ความสุขความทุกข์ความปวดความไม่ปวดมันมีความทุกข์มันจะเลือกได้อย่างไงล่ะอืมมันคิดไม่ถูกเพราะว่ามันเกิดจากควเหตุปัจจัยทั้งหลายแหละใช่ไหมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอืคคุณกินอะไรมาวันนี้ร่างกายคุณสภาพเป็นยังไงโอ้โหมันหลายอย่างอากาศเป็นยังไงคนไข้ตัวพูดอะไรไหมมันก็หลายอย่างเรื่อที่ให้เราคิดก็เยอะแยะ่ยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราจะนั่งสมาธิเพื่อเอาแต่สุขไม่เอาทุกข์อันนี้คิดไม่ถูก แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วเห็นว่าสุขก็เกิดได้ทุกก็เกิดได้แล้วเห็นความไม่เที่ยงนี่ถูกนั่งสมาธิคิดว่าถ้าฉันไม่ไม่ได้ความสุขเฮ้ยทำไมฉันมีแต่ความทุกข์เราก็ยังได้กําลังความเปลี่ยนอย่างเงี้ยอันนี้คือถูกคือไม่ได้อะไรอย่างหนึ่งก็ต้องได้ล่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้อย่างน้อยต้องได้แต่อย่าคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมใช่มันมันได้อยู่แล้วอะฟันธงให้นะไม่ได้อะไรก็ได้อย่างหนึ่งแต่เป็นแต่ว่าวิธีการทําให้ถูกถ้าวิธีการทําถูกแล้วเข้าใจถูกแล้ว แต่ยเขามาเข้าใจถูกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องได้ความสุขอย่างเดียวนะแต่ ถ, ถ้าเข้าใจว่าจะต้องได้ความสุขอย่างเดียวนี่คือเข้าใจไม่ถูกแต่ถ้าเข้าใจถูกแล้วสุขก็เกิดก็รูกก็เกิดเอออันนี้เราได้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องอืเจ้าค่ะยังขออนุญาต ย, ยกตัวอย่างเช่นประสบการณ์ของโยมเองนะเจ้<พ>าค่ะที่โยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหโศกในครั้งแรกๆนั้นเนี่ยโยมรู้สึกว่าสามวันแรกนีโยมทรมานมาก ตรงที่ไหนรู้ไม่เจ้าคะตรงที่มันเจ็บปวดเมื่อยไปหมดเลยเจ้าคะ่ะแต่โยมก็พยายามทําจิตว่าเออไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นอย่างที่พระอาจารย์สอนนะเจ้าคะ่ะว่าไม่ต้องเอาจิตไปจดจ่อตรงนั้นไม่ว่าจะเสียงอะไรมาอะไรหรือว่าเราเจ็บปวดยังไงเนี่ยเอาจิตออกมาโยมก็รู้สึกทําได้เจ้าคะ่ะก็คือเดี๋ยวนี้พอปวดปุ๊บเราก็ไม่ได้เอาจิตไปตรงนั้นเราก็ทํานิ่งๆไว้อ่าเราก็ไม่ปวดแล้วเจ้าคะ่ะแล้วต่อมาเจ้าค่ะ แล้วต่อมาเนี่ยโยมก็จะเหมือนกับว่าเวลาเข้าสมาธิก็จะเข้าง่ายขึ้นคือโยมที่เป็นประเภทพอกลับมาทํางานหรือว่าวุ่นๆในชีวิตที่เป็นคารวะเนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องเรียนพระอาจารย์ตามตรงว่าไม่ได้ว่าทําสมาธิทุกวันหรือว่าไม่ได้เคร่งอย่างที่ตอนที่เราไปปฏิบัติที่วัดนะเจ้าค่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยแปดเก้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโยมก็จะรู้สึกพัฒนาขึ้นมาตรงที่ว่า เดี๋ยวนี้เนี่ยไอความเจ็บปวดมันจะไม่มีนะเจ้าคะ่ะ อ, อย่างไปนี่น้องๆบอกอ้าวโ อ, โอโยมอายุขนาดนี้แล้วทำไมยังนั่งพื้นอยู่ น, ยนั่งได้นั่งตัวตรงด้วย อ, อะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะอันนี้ไปถึงไปวัดอื่นด้วยนะเจ้าคะเขาจะบอกโอ้โหเห็นนั่งตัวตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยโยมก็คิดว่ามันมันก็คือสิ่งที่เราได้รับคําสั่งสอนมาแล้วเราทําตามเนี่ยมันก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจ้าคะอันนี้อันนี้เป็น การทําที่ถูกมาต้องแล้วคือเราอาจจะคิดว่าสามวันแรกเราไม่ได้อะไรมันไม่ใช่มันสะสมสะสมมาจนกระทั่งถึงวันวันสุดวันถัดมาเราก็ค่อยๆได้ดีขึ้นเรื่อยๆเราเราเอาค้อนเนี่ยตอกเข้าไปที่หินเพื่อที่จะสกัดให้มันออกต่อไปครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยมันก็ไม่ออกอ่ะเพราะว่าหินมันแน่นใช่ไหมแต่ว่าอาจจะตอกไปสักร้อยครั้งนะมันถึงจะหลุดออกมาได้แต่เราตอกไป9ก้าสิครั้งแล้วเราหยุดเออไม่ทําละเลิก โหอีกครั้งเดียวเองมันใครจะไปรู้ว่ามันจะแตกครั้งที่ร้อยแต่ว่าว ค, ครั้งแรก9 9้ครั้งเนี่ยมีผลตลอดมีผลตลอดอแต่มัน ย, ยังไม่ออกผลมาที่เราจับต้องได้เท่านั้นเองแต่แต่มันไม่ได้อะไรอย่างหนึ่งก็ได้อะไรอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นหรืออาจจะไม่เห็นมันต้องได้แน่นอนต้องทาความเพียรต่อไปนะเจ้าค่ะใ ช, ช, ใช่ใช่ใช่สาธุเจ้าค่ะอ๋อน่าเสียดายจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วก็คิดว่าอย่างน้อยท่านผู้ฟังทางบ้านที่โดยเฉพาะท่านที่ถามมานะคะคงจะได้รับทราบแนวทางแล้วล่ะ ว่าจะสามารถะละความรู้สึกที่ว่าเป็นเวทนานั้นได้อย่างไรนะคะเวลาหมดลงแล้วคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบน้ำัสการและกราบขอบพระคุณเจ้ า, า่าพระเจรย์เจ้ า, า่ะเจ็บบาลสาธุเจ้ า, า่ะ